เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาไฝ่บุญไฝ่กุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญกุศลที่เป็นเหตุ ที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญก้าวหน้าของจิตใจเพราะใจนั้นเป็นนามธรรมไม่ใช่เป็นรูปธรรมไม่ได้เป็นวัตถุสิ่งที่จะส่งเสริมจิตใจให้มีความสุขให้มีความเจริญนั้นต้องเป็นนามธรรมต่างกับร่างกาย ร่างกายเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุสิ่งที่จะทำให้ร่างกายอยู่เย็นเป็นสุขก็คือปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งหงยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแต่ใจหรือปัจจัยสี่ของใจที่จะทำให้ใจนี้มมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญนั้น เป็นนามธรรมก็คือการปฏิบัติบุตรการบำเพ็ญบุญกุศลนี่เองเท่ากับเป็นการสร้างสรณะสร้างที่พึ่งสร้างปัจจัยสี่ให้กับจิตใจถ้าจิตใจไม่ได้รับการดูแลรักษา ด้วยการบำเพ็ญบุญกุศลจิตใจก็จะเป็นเหมือนกับร่างกายที่ขาดปัจจัยสีเวลาร่างกายขาดอาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดียารักษาโรคก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดีร่างกายก็จะต้องทุกข์ทรมานลำบากลำบนเจ็บไข้ได้ป่วยและถึงแก่เสียชีวิตไปก็ได้ เช่นในยานที่มีภัยพิบัติต่างๆไม่ ว, ว่าจะเป็นวาตภัยหรืออุทกภัยหรืออักคีภัยคนจะเดือดร้อนมากเพราะปัจจัยสี่ที่เป็นเครื่องคอยสนับสนุนดูแลให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขก็จะไม่มีไว้ดูแล ชันใดใจของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าใจของเราขาดการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลก็เป็นเหมือนกับใจที่ที่ตกอยู่ท่้ำกลางภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นวาตภัยหรืออุทกภัยหรืออักขีภัยก็จะเดือดร้อนวุ่นวายมีความทุกข์มีความทรมานใจอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นเราจึงไม่ควรมองข้ามการบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราบำเพ็ญกันถ้าไม่ฉะนั้นแล้วชีวิตของเราจะหาความรบเย็ยนเป็นสุขจะหาความปลอดจากความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่ได้มีการบำเพ็ญบุญกุศลนี้เท่านั้นที่จะดูแลรักษาจิตใจของเรา ให้เจริญขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงให้การเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ตางๆนั้นลดน้อยลงไปจนหมดสิ้นไปได้เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วและทรงนำมาสั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธานำเอาไปปฏิบัติ จนได้กลายเป็นพาารนะอรหันต์ตาคกขึ้นมาเป็นจานวนมากดังนั้นจึงไม่ควรที่จะต้องสงสัยเรื่องของการบำเพ็ญบุญกุศลว่ามีประโยชน์จริงหรือไม่ว่าจะช่วยพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่ ความสงสัยหลานี้ไม่ควรที่จะมีอยู่ในใจของชาวพุทธเราเพราะจะเป็นนิวรนคือจะเป็นอุปสรรคขวางกาั้นการบำเพ็ญบุญกุศลชนิดต่างๆเช่นเวลาจะให้ทานก็จะกังวลว่าทำบุญให้ทานแล้วจะได้บุญจะได้ผลหรือไม่ กลัวว่าทำไปแล้วจะสูญแต่ถ้าเรามีความเชื่อมั่นว่าการทำบุญให้ทานนี้มีผลอย่างแน่นอนมีผลมาแล้วกับพระพุทธเจ้าครั้งสมัยที่ทรงบำเพ็ญทานบารมีตอนที่เป็นพระเวชสันดอนก็ทรงบำเพ็ญทานบารมีอย่างแก่กล้า มีอะไรที่จะเสียสละที่จะให้ผู้อื่นได้ก็ยินดีเสียสละไม่คิดหวงเก็บเอาไว้เพราะทรงมีพระปัญญาเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่นั้นสักวันหนึ่งก็ต้องทิ้งมันไปคือต้องจากมันไปหรือสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปถ้าเรามีแล้วเราเก็บเอาไวเ้เฉยๆ ไม่เอามาทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและกับตัวเราของเหล่านั้นถึงแม้จะมีคุณค่าราคามากน้อยเพียงไรก็ตามมันจะไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์สุกกับเราและกับผู้อื่นเลยถ้าเราเก็บเอาไว้เฉยๆนี่ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะมีความกล้าหาญที่จะสละ ที่จะให้สิ่งที่เรามีอยู่หมายถึงสิ่งที่เกินความจาเป็นเกินความต้องการของเราเก็บไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นถ้านำเอาไปสงเคราะห์ผู้อื่นผู้อื่นก็จะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขผู้ให้ก็จะได้บุญได้กุศลไปดูแลรักษาจิตใจให้มีความอิ่ม ให้มีความสุขให้มีความพอให้มีจิตที่เบิตากรุณาเป็นจิตที่จะสามารถรักษาศีลได้อย่างไม่ยากเย็ยนอะไรต่างกับผู้ที่มีความหวงแหนในสมบัติเข้าของเงินทองจะเป็นคนที่มีจิตใจแคบใจจะไม่ค่อยมีความสุข จะมีแต่ความหิวความอยากความต้องการอยู่เรื่อยๆและจะพยายามหาสิ่งที่ตนเองต้องการทุกวิธีทางไม่ว่าจะเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนผู้เห็นกต็ตามถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วการที่จะรักษาศีลก็จะเป็นสิ่งที่ยากเย็นสำหรับคนอย่างนั้น ก็จะไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาจิตใจขึ้นไปสู่ธรรมขั้นสูงๆต่อไปไม่ว่าจะเป็นศีลก็ดีหรือการบำเพ็ญจิตภาวนาก็ดีถ้าจิตใจนั้นยังคิดเบียดเบียนผู้อื่นยังมีความโวงแหนในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยังอยากได้สิ่งต่างๆอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะ รักษาศีลได้ไม่สามารถบำเพ็ญภาวานาได้ถ้าไม่สามารถทําปฏิบัติธรรมเหล่านี้ได้จิตใจก็ไม่มีโอกาสที่จะมีความร่มเย็นเป็นสุขได้จะไม่มีโอกาสหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เพราะจิตใจมีความผูกติดอยู่กับ สิ่งต่างๆที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองเพราะสิ่งต่างๆที่ใจผูกติดอยู่นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นสิ่งที่จะให้ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาพราะจะต้องคอยดูแลรักษาจะต้องห่วงจะต้องกังวล จะต้องหวาดกลัวเกรงว่าจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปจิตใจเลยไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจต่างกับผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆในโลกนี้เห็นว่าถ้ายึดติดก็จะมีแต่ความทุกข์และถ้า มีมากเกินความจำเป็นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้มีอยู่เรื่อยๆถ้ามีความเห็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่อยากจะเก็บสิ่งต่างๆที่เกินความจำเป็นไว้มีอะไรพอที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็ยินดีที่จะทำเมื่อทำแล้วก็จะเห็นผลจากการสงเคราะห์การให้ ว่าทำให้จิตใจมีความโล่ง อ, อกมีความเบาใจเพราะไม่ต้องมาก่อยหวงไม่ต้องมากังวลไม่ต้องคอยหวาดกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ไปพอให้ไปแล้วการสูญเสียแบบนี้ด้วยความตั้งใจด้วยความยินดีกลับเป็นประโยชน์สุขกับจิตใจเพราะทำให้จิตใจมีความสุข แต่ถ้าสูญเสียไปโดยมีความหวงแหนมีความยึดติดก็จะสร้างความทุกข์สร้างความเสีย อ, อกเสียใจนะการให้จึงเป็นการฝึกการปล่อยวางนั่นเองเพราะการยึดติดนี้จะทําให้จิตใจมีแต่ความทุกขนะ์แต่ถ้ารู้จักปล่อยวางแล้วจิตใจจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆ ถึงแม้ยังต้องอาศัยสิ่งต่างๆอยู่ก็อาศัยไปตามขอบเขตของมันรู้ว่ามันก็จะอาศัยไม่ได้ไปตลอดเสมอไปแต่ในขณะที่ยังอาศัยมันได้อยู่ก็อาศัยมันไปแต่เมื่อถึงเวลาที่มันจะไปก็ไม่ทุกข์กับการไปของมันปล่อยให้มันไปได้อย่างสบายใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม จะเป็นสมบัติเข้าของภายนอกก็ดีจะเป็นบุคคลต่างๆที่เรามีความผูกพันเกี่ยวข้องด้วยก็ดีหรือแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ดีมันก็อยู่ในสภาพอันเดียวกันคือมันอยู่ในสภาพที่จะต้องจากเราไปจากใครก็จากใจแต่เราไม่รู้ว่าเรามีใจเราเพาะความหลง ทำให้เราคิดว่าทำให้ใจคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวเราเมื่อคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราแล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรไปใจก็จะเกิดความตกอกตกใจจะเกิดความหวาดวิตกเกิดความกลัวขึ้นมานี่เป็นเพราะว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและไม่ได้นำเอาไปปฏิบัต เพราะถ้านำเอาไปปฏิบัติแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันและสิ่งที่ทำให้ใจทุกข์ก็ไม่ใช่อะไรก็คือความหลงที่ไปยึดยึดติดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราไปยึดติดกับผู้อื่นว่าเป็นญาติของเราเป็นสามีของเราเป็นเพื่อนของเรา ไปยึดติดกับสมบัติเข้าของต่างๆว่าเป็นสมบัติของเราเมื่อเราไปยึดติดแล้วถึงเวลาที่เขาจะต้องจากเราไปจิตใจของเราก็วุ่นวายใจว่าวุ่นขุน ม, มัวกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วเราพยายามแยกใจของเราให้ออกจากสิ่งต่างๆ ใจของเราคือผู้คิดผู้รู้ผู้รู้สึกผู้รับรู้สิ่งต่างๆผู้คิดถึงเรื่องราวต่างๆเป็นผู้ที่สั่งการให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆแต่ร่างกายแต่ใจไม่ได้เป็นร่างกายถ้าเราคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าว่าเราคือใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย ไม่ได้เป็นสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆและร่างกายของเรานี้จะไม่อยู่กับใจไปตลอดสักวันหนึ่งก็จะต้องแยกทางกันไปใจนี้ถ้าเราคอยดูแลใจด้วยบุญด้วยกุศลแล้วใจจะรู้ว่าสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีอะไรก็ได้ไม่มีร่างกายนี้ก็อยู่ได้ ถ้าใจได้รับการบำเพ็ญบุญกุศลขั้นสูงคือขั้นขั้นภาวนาสามารถทําจิตใจให้สงบให้แยกออกจากกายได้ <c oughs> ก็จะรู้ว่าใจนี้สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีร่างกาย <c oughs> เพียงแต่ต้องมีบุญกุศลเท่านั้นที่จะทำให้ใจนี้อยู่อย่างเป็นสุขถ้าใจไม่มีบุญไม่มีกุศล มีแต่ความหลงมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่ความยึดติดในสิ่งต่างๆมีแต่ความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความร้อนรนใจอยู่ตลอดเวลานี่คือปัญหาของพวกเราคือเราไม่รู้จักแยกแยะใจของเราให้ออกจากสิ่งต่างๆทั้งหมด ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของผู้อื่นก็ดีวัตถุสิ่งของต่างๆก็ดีเราต้องรู้จักแยกมันออกไปให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจมาเกี่ยวข้องด้วยมายึดติดด้วยล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนไปในทางที่ ถูกอกถูกใจก็ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ถูกอกถูกใจก็ได้แต่มันต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนและสิ่งำสำคัญก็คือเราต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเพราะใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปกับสิ่งเหล่านั้นใจก็ยังเป็นใจอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งต่าง ไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงใจได้นอกจากใจเองที่จะเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ได้จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีก็ได้อยู่ที่รู้จักวิธีทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดถ้าเราน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราก็จะ เปลี่ยนแปลงจิตใจของเราไปในทางที่ดีไปในทางที่มีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงแต่ถ้าเราปล่อยให้ใจของเราไปตามกระแสของอารมณ์ของเราซึ่งส่วนใหญ่จะไปตามความโลภความโกรธความหลงความยึดติดใจของเราก็จะไปสู่ทางที่ต่ำ จะไปสู่ความทุกข์ไปสู่ความวุ่นวายใจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางนั้นดังนั้นเราจึงมีทางเลือกชีวิตของเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จะทำให้มันดีขึ้นก็ได้จะทำให้มันแย่ลงไปก็ได้เพียงแต่ว่าเราไม่รู้เท่านั้นว่าเรามีหน้าที่ หรือมีทางเลือกเกี่ยวกับทางจิตใจของเราเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องดูแลรักษาใจของเราเรามัวแต่ไปดูแลรักษาสิ่งที่เราไม่ควรจะดูแลคือสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆหรือบุคคลต่างๆเรามัวไปดูแลสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องดับไปในที่สุด ดูแลดีขนาดไหนก็ตามสักวันหนึ่งมันก็จะต้องหมดไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของคนอื่นก็ดีร่างกายของเราก็ดีต่อให้เราดูแลให้ดีขนาดไหนก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความเสื่อมของร่างกายไปได้ไม่สามารถยับยั้งการดับของร่างกายนี้ไปได้ เราจึงไม่ควรที่จะให้ความสนใจต่อาการดูแลสิ่งต่างๆเหล่านี้มากจนเกินไปดูแลเท่าที่จำเป็นเพราะเรายังต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่ในการที่จะดูแลจิตใจของเราอาศัยร่างกายนี้มาสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อเราต้องอาศัยร่างกายมาสร้างบุญสร้างกุศล เราก็ต้องดูแลรักษาร่างกายด้วยปัจจัยสแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้มันถึงขนาดเลิศหรือมีต้องใช้สิ่งต่างๆที่มีราคาแพงๆเพราะมันก็ได้ผลเท่ากันคือดูแลรักษากายได้เท่ากันไม่ว่าจะรับประทานอาหารมือละ50บาทหรือมือละ500บาท มันก็ดูแลรักษาร่างกายให้มีความอิ่มหนำสำําราญใจได้เหมือนกันดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะหมดเวลากับการดูแลร่างกายและดูแลทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีไว้สําหรับดูแลร่างกายนี้มากจนเกินไปให้มีพอประมาณพอกับความจำเป็นพอกับความต้องการของร่างกาย แล้วเอาส่วนที่เหลือนี้มาดูแลจิตใจเอามาบริจาคเอามาให้เอามาทำบุญเพื่อใจของเราจะได้ได้รับการดูแลด้วยบุญด้วยกุศลใจของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความทุกข์น้อยลงจะมีความยึดติดน้อยลงไป ถ้าเราให้อยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะไม่ค่อยเสียดายกับสิ่งของต่างๆที่เราสูญเสียไปหรือแม้ในเวลาที่สูญเสียไปในขณะที่เรายังไม่ได้พร้อมที่จะให้มันสูญเสียไปแต่เมื่อมันสูญเสียแล้วก็จะมีปัญญาหรือมีสติมาสอนเรื่มมา บอกใจว่ามันก็เป็นการทำบุญเหมือนกันถึงแม้เรายังไม่พร้อมที่จะทำแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเสียมันแล้วก็คิดว่าเป็นการทำบุญไปใจก็จะมีความสุขขึ้นมาเช่นเกิดถึงเวลาที่เราจะต้องสูญเสียชีวิตของเราไปโดยที่เรายังไม่ได้พร้อมที่จะไปแต่ก่อนที่เราจะเสียชีวิตนั้นเราเกิดได้สติได้ปัญญาว่า ร่างกายนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงมันก็ต้องจากเราไปเมื่อมันอยากจะจากเราไปก็ให้มันไปถ้าเราให้ด้วยความยินดีก็เหมือนกับการทําบุญด้วยความตั้งใจด้วยความยินดีใจก็จะมีความสุขใจก็จะมีความสบายเพราะใจปล่อยวางถ้าไปอย่างนี้ก็จะไปดีและอาจจะไปถึงขั้นสูงสุดเลยก็ได้ อยู่ที่ว่าสามารถปล่อยได้มากน้อยเพียงไรดังนั้นหน้าที่ของเราที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาเพื่อที่มากอบโกยมามากอบโกยสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นข้าวของต่างๆแต่หน้าที่ของเราต้องการที่จะมาปลดเปลื้อง ม, มากกว่ามาปล่อยวางมากกว่า คือปล่อยคือไม่ต้องการยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ต้องการที่จะพึ่งสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้เป็นสิ่งที่จะมาบังุงบำเรอให้ความสุขกับตนเพราะมันไม่ได้ให้ความสุขอย่างเดียวมันมีความทุกข์ที่มากกว่าความสุขแถมมาด้วยไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียสู้ไม่ ไม่ต้องอาศัยพึ่งพาสิ่งเหล่านี้จะดีกว่าให้พึ่งพาบุญกุศลก็คือการเสียสละการปล่อยวางนี้เป็นบุญกุศลที่ใหญ่โตที่สุดเป็นบุญกุศลที่สูงสุดถ้าเราสามารถปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนลำดับของความสาคัญของสิ่งของต่างๆที่จิตใจควรจะปล่อยวาง ตามลำดับคือส่งสอนให้สละสมบัติเพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมก็คือบุญกุศลนี่เองขอให้เราเห็นความสําคัญของบุญกุศลยิ่งกว่าสิ่งอื่นๆใดในโลกนี้ถ้าเราทําได้รับรองได้ว่า จิตใจของเรานั้นจะมีแต่ความสุขจะมีแต่ความเจริญจะมีแต่ความสูงส่งเพราะจะเป็นจิตใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาการุณามีความมุฎิตาอุเบกขาคือจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะมีแต่ไมตรีจิตต่อสัตว์โลกทุกทุกคนทุกๆุกตัวจะมีความการุณามีความสงสาร พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือตามกำลังแห่งสติปัญญาของตนและมีบุริตาจิตคือมีความยินดีในความสุขในความเจริญของผู้อื่นและมีอุเบกขาที่จะทำจิตใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น กับตนเองก็ตามหรือกับผู้อื่นก็ตามหรือกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็ตามจิตใจจะไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่วิตกไม่หวาดกลัวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆเลยเพราะมีบุญกุศลไว้คอยดูแลรักษาจิตใจอยู่ตลอดเวลานั่นเอง นี่แหละคือความสำคัญของบุญกุศลที่พวกเราได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้และจะบงเพ็ญกันต่อไปและจะบงเพ็ญให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะถ้าเราบงเพ็ญมากเท่าไหร่ผลที่เราจะได้รับก็มากขึ้นเท่านั้นและงานที่เราจะต้องบําเพ็ญก็จะสำเร็จบรรลุประโยชน์ในเวลาที่ไม่ยาว ไกลไม่ยาวนานแต่ถ้าเราทําเพียงทีละเล็กทีละน้อยวันละนิดวันละหน่อยก็จะต้องเสียเวลาในการในการบําเพ็ญกว่าจะบรรลุผลได้เวลาคือชีวิตของเรานี้อาจจะไม่พอเพียงกับการบําเพ็ญเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์อันสูงสุดได้ถ้าเราทำเทีลเล็กเทเลน้อย และเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้กลับมาบำเพ็ญบุญกุศลต่ออีกไม่รู้ว่าจะมีคนคอยเตือนคอยสอนคอยนำพาให้เราบำเพ็ญบุญกุศลต่อไปอีกหรือไม่ดังนั้นในขณะที่เรามีโอกาสอันดีงานเช่นในชาตินี้ในภพนี้เรามีโอกาสที่จะบำเพ็ญบุญกุศลได้ มีคนคอยชวนเราบังเพญผุสนอยู่เรื่อยๆเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันดีงามนี้ให้ผ่านไปให้หมดไปกับเรื่องไร้สาระต่างๆกับเรื่อง ก, การหาความสุขเล็กๆน้อยๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกับเรื่องการหาเงินหาทองหาสมบัติหาวัตถุ ต่างๆมาเป็นสมบัติหรือกับการดูแลรักษาร่างกายแบบโดยเถิดแบบเกินความพอดีไปจะเสียเวลาไ ป, ปเปล่าๆพยายามลดละเวลาที่เราจะต้องเสียไปกับเรื่องราวเหล่านี้แล้วหันเข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลให้มากยิ่งขึ้น เราสามารถบําเพ็ญบุญกุศลได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ในวัดหรือนอกวัดเราก็บําเพ็ญได้เพราะการบําเพ็ญนั้นมีหลายรูปแบบด้วยกันเช่นการทําบุญให้ทานถ้าเราต้องการจะตักบาตรล้วก็มาวัดหรือตักบาตรกับพระที่เดินผ่านถ้าเราอยากจะให้ทานเราก็ช่วยเหลือผู้อื่นที่กขาเดือดร้อนได้ ส่วนการไม่เบียดเบียนนั้นเราก็สามารถทําได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เราเกี่ยวข้องกับใครกับผู้มีสิ่งที่มีชีวิตเราก็ต้องระมัดระวังว่าการกระทําของเราทางกายวาจาใจจะไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับเขาเราก็บําเพ็ญบุญกุศลอยู่แล้วแล้วถ้าเราจเจริญสติอยู่เรื่อยๆมีสติคอยเฝ้าดูความคิดของเรา เฝ้าดูการพูดการกระทาของเราว่าอยู่ในทํานองครองธรรมหรือเปล่าว่าไปในทิศทางที่จะปล่อยวางหรือจะยึดติดถ้าเรามีสติมีปัญญาคอยเฝ้าดูอยู่เรื่อยเราก็จะสามารถที่จะหักห้ามจิตใจที่ชอบยึดติดกับสิ่งต่างๆถ้าทุกครั้งที่เรายึดติดกับอะไรก็เตือนมราว่า สิ่งที่เรายึดติดนั้นมันไม่อยู่กับเราไปตลอดมันจะต้องสร้างความทุกข์ให้กับเราอย่างแสนสาหัสถ้าเราไปยึดติดกับเขาถ้าเราปล่อยเขาไปเขาอยากจะไปเมื่อไหร่ถึงเวลาเขาไปก็ให้เขาไปเราจะไม่มีความทุกข์แต่เรากลับจะมีความสุขเพราะจะเป็นการหมดภาระกันไปไม่ต้องมาคอยห่วงมาคอยกังวลไม่ต้องมาคอยดูแลกัน นี่คือการบำเพ็ญบุญกุศลที่เราควรที่จะหมั่นบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแล้วผลที่เราต้องการคือความหยุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้จะอยู่ไม่ไกลจากเราเลยภายในภพนี้ชาตินี้เราก็สามารถที่จะบรรลุผลได้ถ้าเรามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ มีความเพียรอย่างแก่กล้ามีศรัทธ า, อ ย, าอย่างมั่นคงและอภิปองได้ว่าไม่ช้ากเ็เร็วเราก็จะได้เห็นผลอันเลิศอันตเศฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เห็นกันอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการบำเพ็ญบุญกุศลนี้ให้ท่านได้นำไปพิพจารณาและปฏิบัติตาม